ธรรมะเหมือนจะว่าจะพกดอะไรสู่ฟังสู่กองโยบอยสู่กองเก่ากองฟังกับกองเก่ายืดลก่าเก่าเก่าทำสิจะปฏิบัติของเก่าอะไรที่จะใหม่ขึ้นขอสังเการปฏิบัติศาสนาคือการปฏิบัติจิตใจต้องวเอ e เราจะปฏิบัติที่อื่นในเรื่องของศาสนาอยู่ที่กายรายใจศนาสปวนอื่นเอย่างเรืดองของศาสนาอย่าใจแจ็งขงศาสนาเป็นศาสนาวัตถุอยู่ดีวหารอู่ี่อาศัยอะไรสักอย่างนั่นเปนเรื่องตกี่ยวกศาสนาใจแข็งของศาสนาจงจก็คือกายรายใจอยู่ไปทุกเนกายเกี่ยวนักฝน ทุกคนมุ่งมั่นจะปฏิบัติตัวของตัวให้รับความสุขความสบายแต่ความสุขความสบายคือพวกเราทั้งหลายต้องการมันอยู่ที่ไหนโดยส่วนใหญ่ใครคิดติดตามอย่องนอกจะเจอความสุขจะอยู่กับวัตถุจะอยู่กับการอารมณ์จะอยู่กับอะไรต่ออะไรต่างๆ้ายนอกจะคุดเรื่อยไปต้นเรื่อยไปหาเรื่อยไป แต่ตอนนี้ใจคิไปสดเพราะเปลี่ยนความสูขคิดเปล่ยบังจะก็ยังดันดลบุกกลแสหาตลอดมาคือความหลงของใจโดยส่วนใหญ่หรือยกเว้นเขามาภายในคือปฏิบัติกายใจทั้งตนความสูขของศาสนาคิดไปศาสดาสงกันและศเฉริมคือความสูข เกิดขึ้นจากการอรบรมจิตใจจิตใจสี่เคยสายแตแต่เป ล, ป ล, ลืองไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆพยายามบางาาังคับบัญชาสะกดละงับด้วยการภาวนาทำจิตของตนไม่ให้จิตตามสัญญาอารมณ์ส่วนนั้นบังคับบัญชาให้อยู่ในคำวรีกรรมหรือเปล่งคิเนตที่จะได้นาะวัตถุอันหนึ่งอันในด ซึ่งเป็นอยู่ในเมื่อในตัวของเราเองเส่นผมขนเล้วกันหนังเนื้อเอ็นกระดูก็นต้นที่จะให้นะให้จิตเกาะให้จิตอาศัยให้จิตได้รับการพักผ่อนแล้วจะสงบหนุ่เป็เรื่องทุกคนที่จะต่องจุตผนอารมนอกจากนั้นเมื่อจิตนี้ปืนฐานตามสงบ ทางดานจิตใจดีเด่นแล้วข็อาศัยปัญญาที่เจนาตามความเป็นจริงของจริ ง, งนั้นนั้นให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันว่าจริ ง, งนั้นนั้นมันมีการเกิดขึ้นแล้วป้วนและแตกสลายอย่างไรจิตใจที่ไปหลงติดข้องยึดถือไม่อยากจะให้มันแรตรป้วนไม่อยากจะให้มันแตกสลายมัน เป็นทุกข์้วือเป็นสุขเราบังคับได้อย่างใจหมายหรือไม่หนูเป็นเรื่องของปัญญาที่จะพิจารณาแก้ไข ใ, ใ จ, ใจใใใของตัวที่ติดข้องเมื่อทุกคนสนใจประพฤติปฏิบัติภายในจิตใจวายาจใจของตนคนนั้นจะได้รับความสุขจากพระศาสนาคือคาสอนของพระพุทธเจ้าความสุขนั้นเป็นอย่างไรก็ไม่ ต้องอธิบายถึงเพราะจะทราบจากการเห็นการเป็นของตนหากทุกคนสนใจใส่คิดติดตามเรืองธรรมะที่จะได้นาภายในใจจิตใจแส่สายพื่งปลงไปเรื่องภายนอกพยายามข่มขู่พยายามตัดทิ้งใจจะได้รับความสงบใจจะได้รับความลงรื่น เ, เ, เ, เ, เป็นอาจเป็นทำให้สายใจไม่เห็นไม่เป็น ถึงจะศึกษาว่าเรียนหรือฟังขนาดไหนจใจใจเคร่งเครไม่เห็นไม่เต็มก็ไม่มีผลมีประโยชน์อะไรจากการศึกษามาจะพูดเก่งขนาดไหนมีวาทะคมคายขนาดไหนแต่ใจเครงเครือไม่เต็มไปให้มันก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรก็โลตกวดห ล, ดลงภายในบังคับบัญชาขู่เข็ญอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังทําความเดือดร้อนซึ่งเึ้ง ยากอย่างนั้นยากอย่างนี้หรือเคยจิตขาดอัดทําภายในแต่นั้นทำคําสอนของพุทธเจ้าจึงยกเข้ามาภายในซึ่งทางบวัดทางศาสนาถือว่าโอปัยิโกน้อมข้ามาภายในดูกายใจทั้งตนเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดคิดจุ่มอะไรเป็นเรื่องถสิความสเป็นึกคิดน้อมเข้ามาภายใน แต่การเห็นนั้นมันเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์แก่ตัวของตัวถ้าเห็นเป็นโทษบกวนละเห็นเป็นประโยชน์บกวนเห็นควรบำเพ็ญในจิตใจเหยียดความเยืยกเยียนสงบเห็นเป็นโทษคือเห็นเป็นที่เลสตัณหามุ่งหน้าส่งออกไปทายนอกจิตในรูปที่เห็นคือตัวชอบ อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอย่างนั้นความคิดความเห็นเกิดตกำนัดยินดีเกิดเชิงมัวเมาหลุ่มเหลงเฝ่าฝันไปตามหลู่ติดตัวเห็นนั่นคือเห็นที่เป็นคิดเป็นใจเสียใจทั้งตัวถึงเกิดเชินมัวเมาก็เพราะความหลุ่มหลงไม่ใช่เกิดเชิงยินดีในการลาดถอนไม่ใช่ สิ่งเหล่านั้นเถิดเพลินไปสิ่งเหล่านั้นจะคงเป็นคงวาอยู่ได้ตลอดไปจะมีการลหลงไหลหรือเสียใจให้แก่ตัวเองภายหลังนี่คื อ, ค ว, อความเห็นเรื่องของโลกความเห็นเรืงของกิเลสแต่ความเห็นของธรรมตาผานเห็นผ่านกว่านี้ที่จะเรีนมาหาทางที่จะแนะนตัวเอง โดยอักธำต่างๆก็เกิดปัญญาขึ้นาการเพียงตามันมีทุกคนหูมันมีทุกคนจิตควรจะเกิดสติปัญญาวิชาความรู้แต่ถ้าว่าเราไม่ได้รักษาไม่ได้พิจารณาในทางอาักธำยิ่งเกิดตามลุ่มหลงเผิดอเชินจิงได้ที่เราเผื่เชินลุ่มหลงเยึดถือสิ่งนั้นแหละจะให้ทุกแก่ใจของตนยิ่ง ยึดถือมากเท่าไรยิงรักให้จงหวนเท่าไรสิ่งนั้นจะเป็นภัยอันตรายหนักแน่นแก่จิตแก่ใจมากขึ้นยิ่งใดที่เราปล่อยวางไปได้ในจิตคล่องสงสัยสิ่งนั้นจะไม่เป็นภัยอันตรายหาทางทพิจารณาละถอนหาทางพิจารณาแนะสอนจิตใจของตัวนี่คือคูอการพึ่งปฏิบัติอักธรรมตาเห็นก็มาพิจารณา ให้เป็นธรรมเช่นเป็นรูปสียังนุ่มแน่นสวยงามหละว่ารูปหยิงรูปชายจิตใจจะต้องติดข้องยินดีเพเิดเชิญในกปกติจิตที่ยังไม่มีอาจมีธรรมทุกคนจะเป็นไปอย่างนั้นจะศึกษาสงเร็จปริญญาสั้นไหนมาก็เป็นอย่างนั้น เพราะจิตใจในนี้อาจทมภายในจะลืมหลงไปตามรูปต่างๆเมื่อล่มหลงก็อยากได้เมื่อยากได้ก็กแสวงหาเมื่ได้มาก็ดีใจแต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นภัยอันตรายคือมันไม่คงเส้นคงวาให้มันจะแปรไปเปลี่ยนไปตามธรรมชาติขาดขันถ้ามีสติปัญญาภายในคือมีอัดทัน ของใจพอเห็นเข้ารูปนั้นจะยังหนุ่มสาวสดใสงดงามขนาดไหนท่านจะต้องพิจารณาไปถึงแบบรูปนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรจริที่ิงมันเกิดมาเป็นองสวยงามหรือไม่หรือเป็นของตกแตกอย่างไรและภายในรูปมีอะไรอยู่ในนั้นเป็นที่ยินดีพอใจหอมหวนชวนดมหรือไม่หรือเป็นของตก กจะตกจะติคูลอย่างไรก็ต้องที่ไม่พิจารณาแยกแยะเข้าไปจนถึงความยิงข้องมันนอกจากนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนั้นยังไม่ชัดเจนเห็นจริงก็พิจารณารูปอันนั้นคือหยาตาเถือนของรูปนั้นนั้นกอนคือเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็มีความสวยสดงดงามเหมือนกัน ต่อนานตีเข้ารูปมันเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปตามธรรมชาติขาดขันรูปนั้นนั้นจะต้องมีความเศร้าหมองรูปเหล่านั้นจะมีความไม่น่ายินดีใน่น่าเผลดเพลินเห็นเขา้าก่อนหน้าอิดหนาละอาใจหนูไม้ทุ้งความแปรปรวนของโลกของรูปที่เราเห็นมาแนสอนจิตใจของเรามาให้เพลิดเพลินลุ่มหลงไป เสียงก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีอาจมีทำแล้วจิตใจมันสม่ําเสมอเห็นเกิดเห็นตายเสมอกันเห็นโสกโ ป, ปกและสวยงามเสมอกันพราะรูป ก, ก, ก, ก่อศัจจาวรูปเสียงก่อศัจจาวาเสียงจิตใจแต่ไปจิบข้องยึดถือยินดีเสียใจในเรื่องเหล่านั้นมันหมดไปหากไป นี่คือใจมีอัตมีธรรมความลุ่มหลงเพิดเพลินเหอเหอมในวัตถุต่างๆจึงไม่มีในจิตในใจของขท่านคือมีอัตมีธรรมจริงจังเขาสมมุติอย่างไรก็สูบไปตามเขาไม่ให้ขัดกับโลกแต่เถ้าว่าใจข้งท่านจะไปลุ่มหลงติดข้องเต่าหมองเพิดเพลินเป็นอันไม่มีเนี่ย ม, มันไม่มีอะไรมาลบกวนในความรักความ รังเกียจต่างๆจิตใจก็ตั้งมัน่นจิตใจต่อเ ย, ยือกเย็นจิตใจก็เห็นจริงความสุกความสมายไม่มีอะไรมาต่อกรุนเกี่ยวข้องมันต่อสุกต่อสมายเหมือนเบลนไฟแสงเทียนของเราถ้าหากลมมาเป่าแสงเทียนนั้นบางที่ตลุกมีแสงจ้าบางที่ตอหลีแสงไฟเพราะลมมาพัดมาเป่า จิตใจของเราก็เหมือนกันคนที่มีสัญญาอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นจะไม่มีความสุขใจมีแต่ทุกข์แต่เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสุขความสบายจริงจังแต่นั้นทางพุทธศาสน า, านการอบรมภาวนาการศึกษาธรรมะท่านจึงให้เป็นโอปนยญิโกเห็นน้องเข้ามาภายใน แน้สอนใจของตัวไม่เห็นหลุ่มหลงไม่เห็เปิดเินความอยากของใจหากเราไม่มีเบรกเราไม่มีทำเป็นเสื่องวัดส่งกั้นส่งห้ามเอาไว้จะไม่มีวันเวลาใดจะเพียงพอบริบูรณ์จิตกลางของโลกต่อทํานองเดียวกันไม่มีใครที่จะทำสําเร็จลุล่วงไปได้คนตายเสือเอาไปเผาไปสังหากมีสื่อีเศษ ไปปลูกไปทําเขาเป็นคนคืมาอีกสอบถามดูว่าจิตวหน้ า, าที่ของโลกเสร็จแล้วหรือถึงขอยตายอย่างนี้เขาจะตอเป็นเสียงเดียวกันว่ายังอันนั้นยังอันนี้คันอยากของใจไม่มีวันจบวันสิ้นในเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของอัตําภายในในเป็นอย่างนั้นนับวันสั้นวันแคบออมาจะว่าเปนเรื่องเห็นแก่ตัวก็ถูก เห็นแก่ตัวแต่มเป็นที่เป็นใครแก่โลกตัวของเราต้องเห็นแก่ตัวของเราเสียก่อนไม่เห็นแก่ตัวเสียก่อนจะไปเห็นคนอื่นเป็นของดีพิเศษกว่าเราตัวยาที่จะประพฤติปฏิบัติให้เต็มเหยื่นเหยรู้พระพุทธเจ้าหรือคืออาจารย์สาวกท่านต้องสอนท่านเสียก่อนเห็นเรื่องของตัวเป็นเรื่องสำคัญแต่เรื่องของคนอื่นทั่วไป จะประพฤตกายประพฤตใจเครงตัวให้ดีให้หมดลาชีกิเลสเมื่อหมดได้เมื่อไรเราจึงจะช่วยคนอื่นสอนคนอื่นแนะคนอื่นหากเราจะสอนคนอื่นแต่ตัวเค่งตัวเองยังไม่รู้ไม่เห็นอาศัยตำรับตอาลาของศาสนามาสอนมันไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ให้ตัวเองจะเสียวันเวลา คนอื่นคือนมาเกี่ยวข้องตัอดภยเสียใปเพราะตัวของตัวไม่รู้จริงเห็นจริงอะไรที่จะนำทำสอนที่ถูกต้องแน่นอนไปสอนเขาแต่นั้นตัวของเราจึงเป็นเรื่องสำคัญควรที่จะฝึกควรที่จะปฏิบัติในใจในรู้เห็นในดีเด่นตนหมด สงสัยภายในใจของตัวว่าอะไรควรจะละจะบำเพ็ญต่อไปความเป็นอยู่ปัจจุบันจิตใจของเราขัดท่องอะไรยังมีอะไรที่จะละจะบำเพ็อีกทาในวารจิตของตัวเองเห็นในความพ้นของตัวเองแล้วไม่มีทางสงสัยไม่มีอะไรจะไปก่อควนความสงบสุขอันนั้น ความสงบสุกอันนั้นตรมลาสางศารนะแผ่นจิงก่าโอักถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบธรรมดาจากการภาวนาสมาธิก็มีความสงบแต่ถอดถอนออกจากความลงลึกลึด น, น, นั้นจะต้องแส่ยสายไป ต, ตามสัญญาอารมณ์อีกจึงมีการ ทำกันบ่อยถึกกันบ่อยนี่คือการปฏิบัติตัวในขั้นต้นแต่ก็ทำให้ศรัทธาเชื่อมั่นและความสงบสุขมันดีวิเศษอย่างนี้มันมีรสชาติอย่างนี้โดยไม่มีคนไปบังคับบัญชาในภาวนาผ่าเพียนแต่ความเชื่อความเห็นความเป็นในใจเคยประสบพบมาจากความสงบจากการภาวนา ยังอยากทำเองอยากเห็นอยากรู้มีความสงบเบื้องต้นแต่ความสงบคือท่านเปล่าว่านั่ถี่สันติปลังสุขขังความสงบนั้นไม่มีวันไม่มีเวลาไม่มีออกไม่มีเข้าไม่มีไปไม่มีมาแล้วความสงบเป็นอย่างไรมันก็เป็นปัญหาสำหรับใจคนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ไปไม่มาไม่อยู่มันเป็นอะไร คนที่เห็นผิวก็มีทางสงสัยเพราะความเป็นความเห็นอย่างนั้นไม่อยู่ในวงสมมุติไม่เกาะเกี่ยวกับสมมุติไม่เกาะเกี่ยวกับโลกสงบทุกการทุกเวลาทุกรลยะถึงตายวาจาจะทําอะไรส่วงความสงบความเป็นไปอย่วนนั้นบริสุทธิ์อยู่ทุกระยะทุกการจะเข้าที่หรือไม่เข้าที่จะตายห่าตายโหง อย่างสามัญชนธรรมดาก็ไม่มีวันเวลาที่จะเป็นอัปปะโมงคลสำหรับท่านคนนั้นอย่างพระราหารันพาะนิยะคือวยวชนตายในการแสวงหาข่ามาบวชพระพุทธเจ้ากับพระราชนาปริมิตรคานคือถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วจะอยู่อิเลียบทใดความบริสุทธิ์นั้นไม่มีวัน ที่จะเศร้ามองส่องไสไม่มีวันที่จะไปจะมาจะเสียจะหายตามธรรมสมมติทั้งโลกนี่คือความบริสุทธิ์ภายในไม่มีการออกการเขา่าการไปการมาการอยู่ไม่มีก้องวิคัติภัณ์ประเทศไหนสมัยใดที่จะส่องดูได้ความละเอียดความเป็นไปของ 10. จิตะนิดนั้นนอกจากตัวของตัวของนั้นจะไปะสดทบเห็น เข้าใจชัดเจนในความบริสุทธิ์ทั้งตัวนี่คือความบริสุทธิ์ทือเรียกว่านัตฉิสันติปลังสุขขังทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติใน้รู้ให้เห็นให้เป็นจริงได้เพราะี่เลด ย, ยังมีมักข้อปฏิบัติเพื่อจะละจะถอนก็ยังมีอยู่เมื่อถึงจุดจบของมันเป็นอย่างไรมันจะจบได้เพราะเดนไม่หยุด หุดหมายปลายทางในต้องสงสัยจะต้องถึงที่ม่เดินอยากจะถึงในยินไม่ดื่มอยากจะอิ่มในทำงานจะอยากจะให้งานเสร็จนี่เป็นคิดเป็นไทยสำคัญสำหรับโลกสำหรับธรรมเพราะนั้นเราทุกท่านที่ตั้งหน้าตั้งตามาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาจะทำบำเพ็ญอย่าทอดทุระอย่าพอยหลัง อุตส่าห์พยายามทำตามโอวาทของพระพุธทธเจ้าอย่าคิดตึงตึงไปเรื่องใหม่บังคับกายบังคับใจให้อยู่ในกรอบของธรรมดนัยสอนใจของเตว่อยู่ทุกระยะใจจะมีคุณค่าใจจะมีสาระสำหรับตัวเองไม่ได้เมาด้กล่าวตู่ดีหนึ่นว่าตัวของเตวเป็นโมฆะเกิดมามันมีสาระอะไร ที่จะได้จะเห็นจะเ็นจะรู้นี่คือการศึกษากาปรปฏิบัติธรรมะถ้าเห็นธรรมะเป็นธรรมะภายในใจเรื่องต่างๆที่เราเคยกเกาะเกี่ยวเกาฝสันเกิดเพิ น, นมัวเมามันจะทมดตัวเรือหลุดหนีจากความปูนความคิดจากจิตจากใจของพระคนนั้นสังขารทีงมีอยู่เป็นคิด ไปเรื่องต่างๆก็เป็นเรื่องสั้งขานแต่ทําบริสุทธิ์ในใจทั้งฐานถึงความบริสุทธิ์แล้วทั้งขานยังมีอยู่สัญญาอย่งมีอยู่เวทนาอย่งมีอยู่รูปอย่งมีอยู่ยินญาอยังมีอยู่เพราะอันนี้เป็นขันในใน่กิเลส้าจิตไม่เป็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีกิเลส้าจิตไม่เป็นปัญหาทุกสิ่นทุกอย่างไม่เป็นปัญหา จิตจึงเป็นเรื่องสาคัญที่พวกเราท่านควรจะศึกษาควรจะพิจารณาให้เห็นโดยควรใดญ่เกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่เคยเห็นจิตตัวเองนั่นแหละจึงเป็นเรื่องสาคัญตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนตายแล้วจะไปอยู่อย่างไรเลยไม่ทราเพราะตัวเองไม่เห็นตัวของตัวตัวเองไม่เห็นจิตของตัวแต่ต่ทราบว่าเราไม่จิต มีแต่ไม่เห็นมันไม่เป็นประโยชน์ต้องให้เห็นเพราะเรื่องของจิตเป็นนามธรรมละเอียดปัญญาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นหน้ามธรรมเหมือนกันของละเอียดย่อมถึงกันได้เห็นกันได้แต่จะเห็นโดยตาเนื้อธรรมดาหากรองสายนิสัยสายมาดูไม่รู้ไม่เห็น จะไปซองที่ไหนไปหาที่ไหนจนกระทั่งวันตายก็ไม่เห็นแต่ท้าโอเบอมบําเทนด้านภาวนาคนผิดเคยสงสัยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างไรเขาเองจะเห็นจนปัด จ, จัยต่างสำหรับการประปฏิบัติฉะนั้นเราทุกท่านที่มุ่งมั่นมาประทปฏิบัติหรือนับถือพระพุทธาศาสนาควรเอาสาระจากการเกิดทั้งตัวให้ได้ อย่าต่อยให้เป็นหมันตายไปเพื่อเปล่าหาสาระอะไรไม่ได้ควรสตนใจที่นิพพิจารณาถึงเราจะอยู่ในอิริดดายาบถใดก็ให้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรที่นิพพิจารณาปัดเตาที่เหลือปัญหาความคิดตึงเส่งไปในทางชั่วทางเสียให้ตกออกไปจากจิตจา ก, จากใจนำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเปนทาง ที่จะทำจิตให้สงบเย็นที่นิ่คือเจนาบําเพนเรื่อยไปคนนั้นแหละถึงโง่ก็จะมีวันฉลาดถึงหลงก็จะมีวันรู้ถึงแค่เเพมมัวเมาก็จะมีวันส่างเบาไปเพราะใจสัมผัสกับอัรทมอยู่สม่ำเสมอนี่เป็นเรื่องของทุกคนควรสนใจควรฝึกตัว้องตัว เมื่อพึกได้ปฏิบัติได้เข้าใจถึงมันก็ไม่มีอะไรโลกเปิดเผยอยู่สม่ำเสมอไม่มีอะไรปิดบงังที่จะเป็นปัญหาต่อใจแต่จริงว่าอาโลโกุทธปาธิคือสว่างโลออยู่ทั้งกางวันกลางคืนสว่างมาแต่ไหนแต่อะไรแต่อันนาะใจมันบเบื่อเลยเห็นแสงสว่างว่าอันนั้นนะ่ารักอันนั้นนะ่ายินดีอันนี้นะ่ะเกลียดนะ่ะต่างๆๆ การคิดความปรุงความยุ่งความหลงของใจมันเป็นแบบนั้นเพราะใจยังไม่าถึงอัตธรรมเพิศึกษาเพิ่งปฏิบัติไม่มีใครอื่นที่จะมาปฏิบัติแทนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของเฉพาะตัวในว่าการกินการถ่ายในว่าการหลับการนอนการประเภทปฏิบัติคนอื่นจะมาช่วยเหลือเปลี่ยนนู้น ใ, ในดีพิเศษในได้ต้องเป็นตัวของตัวเองันจึงว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นแหลตเป็นผือถึงของตนแร่ชาวคนอื่นจะมาเป็นผือถึงให้นี่คือธรรมคือพระพุทธเจา้าทรงแนะนำสั่งสอนสกับพระสัตวคำว่าสัตก็คือผู้คลองมนุษย์ก็เป็นสัตก็ยังคลองอยู่กที่ยังคลองอยู่เรียกว่าัต จะเป็นชีวิตแบบมนุษย์เทวดาอินท ร, รีย์ยมยักษ์ไม่ว่าหากจิดยังคล่องกิเลสตัญหาเขาเรียกว่าสัตว์ทางศาสนาแต่เราหากเขามาเรียกเราว่าสัตว์เราก็อาจโกรธให้เขาเพราะเหตุใดเพราะสัตว์าสัตวเรายังไม่รู้ไม่เข้าใจจริงจังและมาเดืกมาทำว่าสัตว์คือเสื่อ่องเรายังคล่องอยู่เรายังไม่หลุดในตนเราจึงโกรธเขา เกียดเขาว่าเขาพูดในถูกตามนิยมสมุติแต่ท่านพูดวิสุทธิภายในจิตในใจไม่เป็นอย่างนั้นถึงเขาจะพูด อ, อะไรเสียงที่พูดขึ้นออกจากปากเขาก็หลุดปากออกมาเสียงมันก็ดับไปท่านในจะเจ็บเอาไว้ภายในใจของท่านเข า, าพูดใช้เจ้าที่ถือเขากล่าวหาดาหา่าว่าต่างๆ ถ้าไทยทั้งแผ่นเลยเคยสอบหมอนเลเคยเสียหายาเพราะผ่นเลยเจ็บเอาทั้งเหน่าทั้งเหม็นไหนเจ็บเอาอะไรไทยในโลกรู้เห็นตามเป็ น, นจริงกวรูปกวดีเสียง ก, ด ก, ดกด็ ด, กดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสก็ดีหรืออารมณก็ดีหน้าที่ของมันเกิดแล้วก็แปรปวนดับไปเส้อกันหมดไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกัน ไม่ว่าฝ่ายดีไม <Yeah, S 1> ่ว e ่าฝ่ายชั่วอย่างทั้งโลกมันเป็นมาอย่างนี้ถ้าถ้งที่เราเหลงอยู่มันก็เป็นอย่างนี้ถ้าถ้งที่เรารู้มันก็จนอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขไม่มีอะไรที่จะจิตบังนี่เพื่อจิตจิตเรือเห็นตามเป็นจริงจริงไม่มีปัญหาอะไรภายในใจของขัน่ันจรงอยู่แบบกระดวกสบายแต่จริงเกี่ยวกับเหลือนน้ํากับใบบือ ถึงยืดด้วยกันแต่ก็ไม่ติดเรื่อนกันถึงเอานะ้ำไปเหยีดใส่มันก็ไม่ซึมซาบลงไปในใบบัวนี่จิตใจของพวกเราโดยส่วนใดที่ยังไม่ได้ศึกษาในประเฤติปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนกระดาษทับกระดาษซึมเพรถูกอะไรก็ะซึมเข้าไปดูดเข้าไปในว่าทางดีทางชั่ว เมื่อมันเป็นอย่างนั้นจึงควรประเทศปฏิบัติควรรักษาควรสังวรควรปรผู้ปฏิบัติเบื่องต้นูื่นใจจะไปถึงมรรคถึงผลต่อเป็นควรทำตาให้บอกหูให้หมวกไม่ติดตามสัญญาอารมณ์อะไรทั้งหมดตู่นเชงใจจะดีตาเห็น อย่าไปคิดตามเรื่องที่เห็นหรือไดยยินก็อย่าจึงไปคิดนี่คิดไม้จะให้จิตได้รับความสงบเยอะก่อนมีกําลังทางสมาธิหนักแน่นมั่นคงจึ่งก่อยพิจารณาคหลังเรื่องต่างๆที่เห็นที่ได้ยินจะเป็นบันไดทำจิตทาใจให้สูงขึ้นโดยงปู่สอนให้สงบเหมือนเด็ก เด็กมาใหม่ๆยังไม่ใหญ่โตทำการงานอะไรไม่ได้เขาเหยียเขากล่อมเด็กคนใดนอนได้พักผ่อนได้ในรบกวนเขาชมว่าเด็กคนนั้นดีแต่เมื่อโตๆสิ้นมาควรแก่การแก่งงานแล้วถ้าไปนอนแบบนั้นยินละนอนไม่มีทำการทำงานอะไรสุดไปอีกอย่างเหยียดคันไม่เอาทานอะไรเด็กคนนี้ เหมือนกันทางศาสนาพัดก็สอนอย่างนั้นสอนจิตให้สงบเสียก่อนแต่เมื่ควรมแก่การกับที่นีพิจารณาระถอนกิเลสด้วยปัญญาต้องทําอีกไม่ใช่ว่าจะให้สงบถ้าสงบอยู่หายเดียวอย่างนั้นโดยไม่ใช้ปัญญาที่นพิจารณาอะไรสันถธิวาสมาธิหัวหลักหัวโตไม่เกิดปัญญาอะไรที่จะแก้ไขกิเลสโดยไม่เกิด ความดีอะไรถูกเป็นเรื่องีิเศษมิตด้ลบแต่ใส่นักสู้พยายามคิดนิติเจนะพยายามสอนใจบา ย, ายใจใจทังตโอกาสเจลาของทุกคนที่เกิดม า, าก็ไม่เป็นของกีฬาอย่างยืนหลืเป็นของแน่นอนบางทียังเล็กยังเด็กยังหนุนยังสาว ลมหายตายไปเก็บไข้ได้บางทีแก่เท่าถึงก่อตัวไข้ลมตายแต่มีมีนิดเครื่องหมายของความตายไม่เป็นของแน่นอนที่แน่นอนที่สุดก็คือลมหายใจเหนื่อออกไม่เข้าหรือเข้าไม่ออกจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจะตายเดืกันทางนั้นสั้นๆเพียงลมหายใจออกหายใจเข้าแ่านั้นนี่คืออายุของส่วนเรา ดังนั้นการประพฤตปฏิบัติเหนืออะไรภายนอกยังไม่ได้มีมาเกี่ยวข้องมีความสามารถที่จะประพฤติ ป, ปฏิบัติได้ทางกายทางใจอย่างเจนเน็ดเจนหน่วยัวรีเร่งขวนขวายแต่ทำบำเพ็ญให้จิตของตนเยือกเย็นเห็นธรรมควรจะแนะสอนตัวอย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะปล่อยวันเวลาให้เป็นหมนเรื่อยไป สนที่สุดตัวเองก็ไม่ได้อะไรตายไปต่างคนแบบนั้นคนลกศาสนาโลกโล ก, โลกไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษให้พยายามสอนใจของตัวความเพียนคือวามมีสติความเพียนคือวามอดวามทนมนี่เป็นความเพียน สติปัญญาเป็นสันเลขาทมคือเป็นเรื่องกำจัดปัดเต่ากิเลสทำความเพีย น, าาายนถึงจะเดินอยู่นั่งอยู่ทำขาดทีกิริยาเหมือนโตว่าทำความเทียนแต่มันเป็นแตกกายใจไม่เป็นให้จึงศึกษาถึงพิจารณาถึงฝึกอบรมบอกวาเนีนต่เทียมเพียนจะออกปัญษาแล้ว ในกี่วันก็จะออกพรรษากันมาเป็นมาในพรรษาตลอดออกพรรษามีอะไรเป็นคุณค่าสำหรับใจสมชวนจะสอบสืบวิญญาณาตัวเองแต่ความจริงออกพรรษากิเลสมันไม่ได้ออกไปด้วยนะมันมีอยู่อย่างไรแต่อรงเส้นตรงว่าอยู่อย่างนั้นในพรรษาหรือนอกพรรษาก็ไม่มีอะไรผิดแปกแตกต่างกันสาหรับ การประพฤติปฏิบัติส้อนรั บ, บจิตใจสร่งที่นั้นชอบจริงๆมันไม่ชอบมีอยู่อย่างไรัก็เพื่อนขี้ดีงามอย่อยางนั้นถ้าหากเราชำระสาสารด้วยสติปัญญาแในมีการภาวนาชำราใจจึงควรสอนตัวของตัวเรื่อยไปประพฤติปฏิบัติเรื่อยไปใจที่มีอาจมีธรรมมีความเบิกบานยินมแย้มแจ่มใสภายใน ใครเขาใจเห็นไม่เห็นนั่นเป็นเรื่องของเขาเราเป็นอยู่อย่างไรเราสามารถที่จะทราบได้จากตัวของเราเองจนอื่นเขาจะเอาประกาศนิยบัตจิตให้เขาจะโฆษณาให้นั่นเป็นเรื่องของเขาหายใจของเราไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้จะโฆษณาจนปากฉีดมันก็ไม่เป็นจนเป็นจนประโยชน์อะไรถ้ามันดีที่สุดจะตํามนิ จนปากมันฉีดนั่นตนไม่เห็นเสียหายอะไรแต่ที่เจนาให้ถึงแก่ของความจริงแล้วจะไม่มีการบั่นไหวไม่มีการเสียใจให้ตัวเองต่อเกิดมาเป็นโมฆะพยายามต่อพืต่อพิบัติศึกหษารวมตัวัองตัวจิตดีจิตมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างก็สุขไปตาม เห็นส the ิ่งผี่เป็นเด่นเป็นภัยก็กับเกิดคามเมนตาสงสารไม่มีความกลัวจะดุในสิ่งืิดไปมนว่าใัยอันตรายจากอะไร้อใจสงบพอใจเห็นใจรู้พยายามฝึกพยายามอบรมหนัี่ต้องศาสนา สอนทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตนักบวชฤาษีหญิงชายศึกษาได้ทำได้คนจิตทำตามเรื่องของศาสนาเป็นชาติสุสามเณรเก็ดีเป็นฆราวาสก็ดดีสะหาดประพฤติตามคำนองคลองธรรมที่ขันเณรสอนมีความสุขความสบายในทะเลาวบาแย่ ในผิดเสียงกันพอใจหรืออักเสรทเพอใจสงบโลกก็เลยสงบใจปั่นป่วนเรรวนเดือดร้อนก็อยู่กบถานคือใดเห็นอะไรก็เดือดร้อนเขาพูดดีๆก็โกรธเขาเข้ามาดีๆก็ผิดใจตัวนี่คือใจมันชั่วใจมันเสีย ใจนั้นไม่ดีใจนั้นไม่มีอกักมีคำไม่มีเหตุมีปดมันเป็นอย่างนั้นแต่นั้นจึงพากันพยายามศึกษาพากันภาวนาหาความดีให้ได้เพราทุกคนมีสิทธิจะประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นเรารักเราต้องประพฤติปฏิบัติตัวของเราศึกษาธรรมะ จ่ายใวายจายใจของตัวทุกคนสวใจต่้งหน้าทำตามโอวาทธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนต่างันต่างควไปแต่ได้รับความสงบสุขการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรสีเวลาพระดเพียงแค่นี้